คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz เม Printing and Packaging อย่าง Designer d i 19สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์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 วันนี้พบกับดิฉันดรนิสากรไพบุญสินทาง 89.5 เมกะเฮิร์ตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าดังหรือว่ามีชื่อเสียงนะคะเนื่องจากว่าทางดิสนีย์ได้ใช้ โลเคชันของประเทศไทยหรือว่าบรรยากาศของประเทศไทยค่ะมาทำเป็นเรื่องราวนะคะเป็นการ์ตูนสั้นซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะและก่อนหน้านี้ค่ะก็มีลูกครึ่งไทยอเมริกันได้เขียนการ์ตูนชื่อว่าชื่อเรื่องนะคะคือ amphibia แต่ ชื่อตัวแสดงคือชื่อแอนบุญช่วยซึ่งตัวละครนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงคิดว่าเอ๊ะทำไมชื่อเหมือนคนไทยใช่แล้วค่ะตัวละครหลักในเรื่องนี้ก็คือเด็กหญิงลูกครึ่งไทยอเมริกันในแอนิเมชั่นของดิสนีย์เรื่องใหม่ด้วยกันนะคะวันนี้ดิฉันก็จะนำเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าความเป็นมานะคะเกี่ยวกับการ์ตูนสั้น ในการใช้ประเทศไทยเป็นเรียกได้ว่าเอามาําเป็นโลเคชันหรือว่าฉากหลังนะคะถือที่ไหนแล้วก็เรื่อง a m b บิเฟีซึ่งเป็นตัวละครเด็กหญิงลูกครึ่งไทยอเมริกันเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพบกันนะคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันค่ะ โอ้โอ้แต่ฉันก็ไม่รีบร้อนที่จะพูดร อ, อกไปแค่นี้เท่า น, นชีวิตก็ดีสักแค่ไหนฉันคิดว่าาควรเป็นค่ไปไม่จำเป็นต้องรีบเชื่อเลยความจรงิงตาสุดท้ายแค่เพียง ไปว่ารักเธอตั้งนานแล้วอตอนนี้แล้วได้อะไรวันนี้เธอนั้นไปไม่ใครมาก่อนตั้งนานถึงคิดได้ตอนดีกสาย ว่าคิดอะไรก็ไม่ต้องพูดบอดก็ได้แต่จนบันทึกในใจว่ารักกันไหนต้องเก็บกดมันไว้เพลงก็บอกตรงนี้ไม่ใายที่จะรักกันแต่ถ้าไม่บอกออกไปให้เธอได้ยินสักทีล่ะถ้าไม่บอกออกไปให้เธอได้รู้สักทีวันไหนก็ไม่ได้รักกัน oh yeah yeah อ๋อยายกฎข้อหนึ่งที่ดูมันไม่สนิทแต่เธอจะรู้ไหมก็รู้ว่าเธอมีผลต่อหัวใจมาเ น, นินนาสักแค่ไหนแต่กัน เอาไว้ในใจทุกมาความรักกำลังก่อตัวแต่เธอกำลังจากไปเพราะแค่ไม่ยอมพูดมันสักที ด, ดฟังเพลงจากรายการกันไปแล้วนะคะมาพบกับเรื่องของดิสนีย์ได้จับมือมิกกี้และมินนี่ทำการ์ตูนสั้นใช้ตลาดน้ําเมืองไทยเป็นฉากหลังเล่าถึงเรื่องราวความขัดแยงระหว่างพ่อคาสปรดกับแม่คาเข้าผัดที่เวลาต่อมาก็กลายเป็นเรื่องราวโรแมนติกค่ะ การ์ตูนสั้นนี้ฉายแล้วนะคะที่อเมริกาฉายมาตั้งแต่วันที่17มิถุนายนแล้วค่ะซึ่งก็เป็นช่อง YouTube ของมิกกี้เมาส์เองนะคะ เป็นการ์ตูนสั้นที่มีความยาวเพียงแค่ 3.46 นาทีเท่านั้นค่ะชื่อเรื่องว่า Our Floating Dreams หรือความฝันรอยน้ำของเราซึ่งก็เป็นเรื่องราวโรแมนติกระหว่าง2ตัวการ์ตูนดังของดิสนีย์นั่นก็คือมิกกี้เมาส์และมินนี่เมาส์โดยใช้ฉากหลังเป็นตลาดน้ำซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของประเทศไทยค่ะ สำหรับเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิกกี้เมาส์ซึ่งเป็นพ่อค้าสับปะรดและมินนี่เมาส์ซึ่งเป็นแม่ค้าข้าวผัดที่สู้รบแย่งที่จอดเรือหมายเลข999เพื่อขายสินค้าของตัวเองโดยมีตัวประกอบของเรื่องก็เป็นการ์ตูนชื่อดังนะคะอย่างเช่นกร ะ, ก ร, ะรอกน้อยชิปเพนเดลสแต่ทว่าที่สุดเรื่องราวความขัดแย้งก็กลายเป็นเรื่องราวรักโรแมนติก ค, ค่ะ จบรงที่ข้าวผัดสับปะรดก็กลายเป็นอาหารขึ้นชื่อในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเรียกได้ว่าเอาทังข้าวผัดและเอาสับปะรดนั้นมารวมกันก็เป็นอาหารขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งนะคะก็กลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็คือข้าวผัดสับปะรดนั่นเองค่ะ การ์ตูนนี้เผยแพร่ไปแล้วทางช่อง YouTube เพียงแค่17ชั่วโมงคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ามีผู้เข้าชมมากกว่า4 0 0แสนครั้งด้วยกันค่ะแล้วก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า 1,000 ครั้งเรื่องราวของการ์ตูนสั้นนี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปชมทางช่อง YouTube Mickey เมาส์กันได้นะคะ สำหรับมิกกี้เมาส์ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่ถูกสร้างขึ้นโดยวอ e ดิสนีย์ถือกำเนิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2471มีลักษณะเป็นหนูตัวสีดำสวมกางเกงเอี๊ยมสีแดงค่ะแล้วก็เป็นการ์ตูนที่ครองใจเด็กๆทั่วโลกมาแล้วกว่า90ปีด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นการ์ตูนออริจินอลของดิสนีย์เลยก็ว่าได้ค่ะ สำหรับการ์ตูนที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะก็คือแอนบุญช่วยนะคะหรือชื่อเรื่องว่า a อ p h i เ e ีก็เป็นแอนิเมชันของดิสนีย์ใหม่ล่าสุดเลยค่ะซึ่งตัวละครหลักนะคะก็คือเด็กหญิงลูกครึ่งไทยอเมริกันมาในภาพลักษณ์ที่เป็นเด็กหญิงผิวสีน้ำผึ้งผมสีน้ำตาลฟูแล้วกล้าวด้วยมารลดยดอกมะลิค่ะ จากนั้นก็สวมสบายเฉียงสีเหลืองอ่อนมีมาลายดอกมะลิคลองที่ข้อมือด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครเด็กหญิงลูกครึ่งไทยอเมริกันในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง amphibia ก็คือแอนบุญช่วยนั่นเองค่ะคุณฟังค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นฝีมือการสร้างสารรค์ของนักสร้างการ์ตูนหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาค่ะ คำว่าแอมบิเฟียแปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะเป็นเรื่องราวของแอนบุญช่วยที่หลงเข้าไปอยู่ในโลกของกบเธอผูกมิตรกับชาวกบด้วยการเปิดร้านอาหารไทยแอนิเมชันมีเรื่องราวของอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยค่ะดังจะเห็นได้จากภาพยนตัวอย่างที่มีเมนูอาหารไทยอย่างลาบและผัดไทยอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยนะคะคาทักทายของแอนในเรื่องมีเสียงภาษาไทยด้วยค่ะ เธอก็จะพูดบอกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สตัมมี่พัตนาารอาหารไทยฟิวชั่นแห่งแรกในเมืองกบวาดวูดคุณฟังค่ะฝีมือการวาดภาพของแอนบุญช่วยนี้นะคะก็มาจากหนุ่มลูกเครื่องไทยโปรดิวเซอร์นักสร้างการ์ตูนที่ชื่อว่าแมทบาร์รี่แมทบาร์ี่ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้กลับมายัางเมืองไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดของมัดาในวัยเด็กค่ะ เขาบอกว่าเมื่อทุกฤดูร้อนแม่มักพาผมไปเที่ยวที่กรุงเทพฯประเทศไทยซึ่งมันเหมือนการเดินทางไปโลกที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแมดบอกว่าเขาอยากบันทึกความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่เมืองไทยแต่ค่อยๆเริ่มหลงรักอย่างช้าๆใส่ไว้ในการ์ตูนเรื่องนี้ส่วนแรงบันดาลใจที่ทาให้แอนบุญช่วยมีชีวิตขึ้นมาเขาบอกว่า มาจากรูปลักษณ์ของผู้เป็นยายของเขาที่เห็นในรูปถ่ายจริงๆแล้วตัวละครของแอนบุญช่วยนี้คนที่เป็นนักสร้างการ์ตูนคือแมทบาร์รี่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายของคุณยายที่เป็นเด็กจริงตัวเล็กๆมีผมยุ่งเหยิงและหน้าตาออกจะดูดุด้วยนะคะ นักสร้างการ์ตูนลูกเครื่องไทยบริกันบอกว่าแอมพิเฟียเกิดจากแรงงานของความรักเขาใช้เวลาในการพัฒนาแอนิเมชันเรื่องนี้เกือบสองปีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าหากว่าไม่สเร็จนะคะถ้าหากว่าไม่มีความรักแล้วก็การสนับสนุนจากหลายๆคนที่อยู่เบื้องหลังนี้ สุดท้ายนะคะเขาบอกว่าเขาภูมิใจมากค่ะที่แอนเป็นตัวละครเอกของเรื่องที่เป็นคนไทยละการเติบโตของลูกครึ่งไทยอเมริกันนี้นะคะเขาแทบจะไม่เคยเห็นเลยบนหน้าจอทีวีและทั้งหมดนี้มันคือความฝันของแมดเบลลี่ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เชื้อสายลูกครึ่งไทยอเมริกันนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคนที่ให้เสียงแอนบุญช่วยก็เป็น ผู้หญิงนะคะที่มีเชื้อสายไทยอเมริกันเช่นกันนะคะก็คือแบรนด้าชองแบรนด้าชองนะคะออกเสียงภาษาไทยถูกต้องอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็เธอรู้สึกสนุกมากนะคะที่ได้นำเสนอและพูดคุยเกี่ยวกับอาหารที่เธอได้กินมาตั้งแต่เด็กและได้แบ่งปันให้กับผู้ชม เธอหวังว่าแอนิเมชันเรื่องนี้จะเปิดโลกให้กับผู้ชมที่ได้รู้จักสิ่งใหม่ๆและได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักน่ารักนะคะมีการถ่ายทอดความเป็นไทยออกมาเป็นการ์ตูนแอนิเมชันชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่ธรรมดาแต่เป็นระดับโลกนั่นก็คือวอนดิสนีย์ค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปชมได้ทาง YouTube ในช่องมิกกี้เมาส์และช่อง Disney ผ่านไปนะคะเราก็ไปกันที่อาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัล์กันนะคะแต่ว่าแมคโดนัล์เราให้ใครก็ทราบใช่ไหมคะว่าถิ่นกำเนิดอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ที่นี่ที่สหราชนาจักรกำลังที่จะยกเครื่อกบรรจุพัธุ์ที่ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่จะอาหารจานหลักรวมไปถึงสลัดข้างเคียงและเมนูจานด่วนทั้งหมด ของแมคโดนัล์ในสหาราเชนจักรจะได้รับการเสิร์ฟในกระดาษแข็งที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลรอยละ50นะคะซึ่งถือว่าเป็นสัด ส, ส่วนที่มากกว่าการใช้ชามพลา ส, สติกที่เสิร์ฟในปัจจุบันด้วยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมนูของหวานยอดนิยมก็คือไอศครีมแม f u ฟิรีจะถูกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะก็คือจะมีการเอาฝาพลาสติกออกไปนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าไอศครีมเป็นสินค้าที่อายุสั้นซื้อมาก็ต้องรีบกินให้หมดไม่เช่นนั้นแล้วจะละลายดังนั้นบรรจุภัธุ์แบบใช้ครั้งเดียวสำหรับใส่ไอศครีมถูกใช้เพียงแค่ไม่กี่นาทีกินหมดแล้วโยนทิ้งกลายเป็นขยะ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้นะคะถือว่าจะลดขยะพลาสติกโดยรวมได้ถึง485ตันต่อปีซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกครั้งค่ะที่จะทำให้เราก้าวต่อไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อจัดการกับขยะพลาสติกและมลพิษ คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อปลายที่และหมายปลายปีที่แล้วนะคะแมคโดนัลด์ได้ทำการเซอร์ไพรส์เมื่อประกาศสั่งห้าม <c oughs> การใช้หลอดพลาสติกทั้งหมดจากเชนร้านอาหารทั่วสหราชชาจักรเพียงอย่างเดียว <c oughs> แล้วทำให้มีการล ด, ดการใช้หลอดได้ 1.8 ล้านหลอดต่อวันในปีนี้นะคะทางสหราชชาจักรนะคะก็ ก็คืออาส่วนของซัพพลายเชนนะครับแมคโดนัล์ก็กำลังจะให้บริการรายการเมนูนะคะที่สามารถที่จะใช้ได้อย่างยั่งยืนนะคะนั่นก็คือการถอดฝาพลาสติกของไอศครีมแม็กเฟอรี่ออกการแนะนำบรรจุพัธุ์กระดาษแข็งใหม่สำหรับสลัดจะช่วยประหยัดพลาสติกได้เกือบ500เมกติกตันต่อปี ส่วนการเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณุ์รีไซเคิลนั้นก็จะมีการวางแผนสำหรับร้านอาหารในสาราราจักรเท่านั้นแล้วก็จะเริ่มในเดือนกันยายนของปีนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่สาราราจักรก็จะมีการรับฟังข้อคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันกับซัพพลายเออร์ค่ะ ภายในปีสองพันห้า้อยหสิบแปดแมคโดนัลสัญญาว่าจะหาแหล่งบรรจุพันฑ์ทั้งหมดทั่วโลกจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้รวมไปถึงอาหารจานด่วนด้วยนะคะที่มีเป้าหมายว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามสิบหกเปอร์เซนตภายในสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามทงนี้รานค้าประมาณหนึ่งพันสองร้อยแห่งทั่วสาราชนะาจากักรตั้งเป้าที่จะปลอดพลาสติกภายในระยะเวลาห้าปีค่ะ ทางนี้ก็เพื่อรับมือกับมลพิษพลาสติกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีสำหรับลูกค้าของแมคโดนัล์นะคะแต่หลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะว่าเอ๊ะทำไมนะคะเขาถึงเขาคิดว่าเขาเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเนี่ยนะคะทำไมว่า ถ้าเขาใช้พลาสติกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะแต่ถ้าลูกค้าแมคโดนัล์นะคะมีหลายๆร้านคนนี้นะคะการใช้พลาสติกก็จะต้องเพิ่มพูนมากขึ้นเท mm hmm. ่านั้นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราก็ควรจะต้องช่วยช่วยกันนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะหัวเวยก็เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของประเทศจีนซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความ เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเนื่องจากว่าบริษัทหัวเวยนี้นะคะกําลังได้รับความนิยมจากทั้งศึกษาจีนให้เป็นสถานที่ที่อยากทํางานมากที่สุดถือว่าเป็นสถานที่ทํางานในฝันอันดับหนึ่งค่ะแม้ว่าหัวเวยจะถูกทางการสหรัฐอเมริกาต่อต้านมาอย่างยาวนานนะคะเนื่องจากว่าหัวเวยเป็นยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของประเทศจีนนะคะที่ถือว่าได้รับการสํารวจนะคะจาก นักศึกษาจีนกว่า5 0 0ห0คนโดยบริษัทวิจัย u ู i v e r s ร์พบว่าหัวเวยนะคะเป็นบริษัทที่ลูกจ้างอยากทำงานด้วยมากที่สุดของประเทศจีนเอาชนะอลิบาบาเอาชนะเทนเ e n นนะคะซึ่งเป็น Search Engine จนของจีนค่ะ หัวววัยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่นักศึกษาวิศวกรร ม, มศาสตร์ต้องการทำงานด้วยมากที่สุดถือว่าเป็นปีที่สองนะคะแล้วเขาก็เอาชนะอาลีบาบาที่เป็นแชมป์เก่าในกลุ่มนักศึกษาด้านธุรกิจค่ะ แต่เนื่องจากการสรุปผลสํารวจในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้นะคะทำให้ผลการจัดอันดับไม่ได้สะท้อนสิ่งที่หัวเว่ยถูกทางการสหรัฐเรรอเมริกาสั่งห้ามบริษัทอเมริกาขายซอฟต์แวร์และบริการให้หัวเวย่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่าปีหน้าเราคงจะทราบกันนะคะว่าสถานการณ์นะคะคงจะต้องเป็นอย่างไรนะคะยังคงเป็นบริษัทที่อยากจะทำงานด้วยมากที่สุดของประเทศจีนอีกหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณ ฟังค่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของหัวเว่ยในรอบสองสาปีที่ผ่านมานี้ไปจนถึงระดับโลกก็เป็นส่วนสำคัญที่ยังคงดึงดูดลูกจ้างและไม่ได้มีบริษัทมากมายนักนะคะที่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นบริษัทของชาวจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับโลกอย่างแท้จริงแต่ หัวเว่ยอ้างได้ค่ะเนื่องจากว่าเขาได้จัดวางตำแหน่งของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีแห่งอนาคตมากกว่าการเป็นเพียงแค่บริษัทโทรคมนาคมและสมาร์ทโฟนค่ะ ส่วนทาง Apple นะคะ ซ, ซึ่งเป็นผู้ผลิต iPhone จากสหรัฐอเมริกาได้สูญเสียความนิยมในหมู่นักศึกษาจีนหลังสงครามการค้ามที่เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วทำให้ความนิยมของ Apple ตกลงไป2อันดับซึ่งตอนนี้อยู่ในอันดับที่7ในกลุ่มของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และตกลงไป6อันดับนะคะอยู่ในอันดับที่20นะคะในกลุ่มของนักศึกษาธุรกิจค่ะ ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็นอเมซอนม o โครซอฟท์อั a ล์เปิลเฟสกนะคะก็ยังคงถูกนะคะบริษัทบริษัททางด้านาโทรคมนาคมของอินเดียนะคะถูกตีตื้นขึ้นมาเช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ Google ก็ยังคงครองอันดับหนึ่งในกลุ่มของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจเป็นปีที่สองนะคะในส่วนของสา รัฐอเมริกาค่ะรองลงมาก็จะเป็น a เม z o n Microsoft, Apple และ Facebook นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของบริษัทที่นักศึกษาจีนอยากทำงานด้วยมากที่สุดค่ะเรายังคงอยู่ที่ประเทศจีนนะคะจีนยังคงตั้งเป้าหมายที่จะปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารโดยการนำอินเทอร์เน็ตและมือถือมาประยุกต์กับเทคโนโลยีข้อมูล Big Data ค่ะ โดยจีนนะคะได้พยายามอย่างหนักนะคะที่จะให้เกิดความปลอดภัยของอาหารจากการประชุมที่จัดขึ้นในประเทศจีนพบว่ามีผู้ประกอบการ25แห่งได้รับรางวัล China Food Safety Publicity Week ค่ะ ซึ่งก็ถือว่านะคะเป็นเรื่องที่จีนควรจะให้ความสำคัญกับการบริการด้านอาหารการปรับปรุงการจัดการในห่วงโซ่อุปทานการจัดซื้อการแปลรูปอาหารรวมไปถึงการนำอินเทอร์เน็ตและมือถือมาประยุกต์กับเทคโนโลยีข้อมูล Big Data นะคะซึ่งก็จะช่วยให้ฝ่ายบริหารในหลายๆระดับทำการตรวจสอบวิเคราะห์แบบรียลไและข้อควรระมัดระวังค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะเราไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะคะที่ญี่ปุ่นก็ยังคงมีกำหนดกรอบเวลาการเลิกใช้ถุงพลา ส, สติกที่ชัดเจนเช่นกันนะคะนับตั้งแต่ประกาศยุทธศาสตร์รีไซเคิลพลาสติกเมื่อเดือนก่อนนะคะเพราะว่าปีนี้นะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศ G20 นะคะซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าละประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เมื่อ ญี่ปุ่นเป็นประธานกลุ่มนะคะก็จะมีการจัดประชุมที่นครโอซา ก, ก้าขึ้นนะคะก็จะมีการประชุมระดับคณะรัฐมนตรีมากมายหลายรายการนะคะและที่สําคัญก็คือการประชุมรัฐมนตรีพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เมืองนากาโน่ซึ่งอยู่ทางภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นค่ะมีการหารือกันในหลายประเด็นด้วยกันนะคะก็ได้มีการประกาศห้ามการใช้ถุงพลาสติกที่ญี่ปุ่นถือเป็นมาตรการที่ออกมาอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกค่ะ โดยนายฮิโรชิเกะเซโกะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมประกาศว่าตั้งแต่เดือนเมษายน2563เป็นต้นไปห้างค้าปลีกญี่ปุ่นจะไม่แจกถุงพลาสติกให้ฟิฟีอีกแล้วนะคะโดยให้เหตุผลว่าปัญหามูลพิษทางทะเลอันมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาค่ะ เบื้องต้นรัฐบาลจึงต้องเร่งตัดสินใจนะคะว่าถุงพลาสติกและวัตถุดิบชนิด ใดที่ห้ามใช้พร้อมทางพิจารณามาตรการปกป้องธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยและครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลญี่ปุ่นกําหนดกรอบเวลาการเลิกใช้ถุงพลาสติกที่ชัดเจนขึ้นนะคะนับตั้งแต่การประกาศยุทธศาสตร์รีไซเคิลพลาสติกเมื่อหลายๆเดือนก่อนนะคะส่วนวิธีการปฏิบัตินั้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ก, การค้าอุตสาหการรมก็จะนําไปทบทวนกฎกระทรวงและกําหนดรายละเอียดกับ กระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะประกาศยกเลิกอย่างเป็นทางการนะคะเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกในทะเลซึ่งเป็นปัญหาในระดับโลกนะคะที่ภาครัฐและเอกชนทุกประเทศเนี่ยควรจะต้องร่วมมือกันยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกโดยเร็วและในฐานะที่ญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพกลุ่มประเทศ G 2 0และก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปี 2,500 63ดังนั้นญี่ปุ่นควรจะต้องหาทางยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกให้ เ, เร็วที่สุดภายในเดือนเมษายนของปีหน้านะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆประเทศนะคะระมัดระวังกันนะคะในเรื่องของขยะพลาสติกหรือว่าการใช้ถุงพลาสติกนะคะในบ้านเรานะคะก็ได้นำโดยภาคเอกชนนี้นะคะก็จะไม่ไม่ไม่ให้ถุงพลาสติกนะคะในวัน ที่ทางห้างสปปรรพสินค้ากำหนดเวลาเราไปซื้อของน ะ, ะตามห้างสปปรรพสินค้าก็จะไม่ได้รับาการใส่ถุงพลาสติกเลยนะคะโดยลูกค้านี่ก็จะต้องนำถุงผ้านะคะหรือว่าตะกร้านะคะไปใส่สินค้านั่นเอง อีกแห่งหนึ่งนะคะที่น่าชื่นชมมากเลยก็คือที่โครงการหลวงนะคะหากว่าคุณฝั่งท่านใดที่เป็นลูกค้าโครงการหลวงหรือว่าเข้าไปซื้อสินค้าที่โครงการหลวงไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยนะคะก็จะไม่ให้อ่าไม่ได้รับการแจกถุงพลาสติกใส่สินค้าที่ซื้อนั้นคือทางลูกค้าจะต้องเตรียมไปเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ น่านยินดีมากๆและทางโครงการหลวงก็จะเขียนไว้นะคะว่าเขาประหยัดนะคะถุงพลาสติกไปกี่ใบกี่ใบต่อปีต่อเดือนเท่าไหร่นะคะก็เป็นเรื่องที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆนี่นะคะจะต้องร่วมมือกันนะคะอย่าง ชัดเจนให้เห็นเป็นรู ป, ปรธรรมนะคะก็จะช่วยกําจัดขยะพลาสติกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะขยะพลาสติกที่ไปอยู่ในท้องทะเลนะคะก็จะกลายเป็นอาหารนะคะของเหล่าสัตว์น้ำนะคะซึ่งเมื่อเขารับประทานเข้าไปนะคะเขาก็จะต้องเสียชีวิตนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากและเราก็จะทําให้เกิดการขาดนะคะแคล น, นะคะในเรื่องของอสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ในเรื่องของอสิ่งสุขกปรกนะคะในท้องทะเลอีกด้วยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะนีกลับมาที่บ้านเรานะคะก็คือทางมทรธัญบุรีหรือทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะซึ่งอาจารย์รดกรกิจชมภูมิกิจพิษเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศ ว, วกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสต ร, ร, ร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะได้พัฒนานวัตกรรม ตู้รวมไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งเปรียบเสมือนเป็นซี u บ้านที่จะควบคุมนะคะจัดการการจ่ายไฟภายในบ้านค่ะถือเป็นแหล่งเก็บข้อมูลใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านผ่านระบบคลาวช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติป้องกันเหตุร้ายและสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านมือถือนะคะก็เป็นผลงานที่เป็นการพัฒนานวัต ก, กรรมโดยได้รับทุนวิจัยนะคะจาก โครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะคะเพื่อประโยชน์สาธารณะในหัวข้อวิจัยเรื่องบ้านไรเบเกอร์ 4.0 ปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าและป้องกันภัยซึ่งรองศาสตราจารย์ดรกฤชมได้บอกว่าบ้านปราดเปรื่องด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ไนี้นะคะ เป็นการสร้างตัวบ้านให้เป็นอัจฉริยะที่มีการติดตั้งตู้รวมไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งเคยพัฒนาไปก่อนหน้านี้มาต่อยอดงานวิจัยนี้ก็จะยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งที่เป็นตู้รวมไฟฟ้าสมองกลอัจฉริยะทำหน้าที่คล้าย CPU หลักรอบบ้านจับตัวขึ้นไฟฟ้าโดยตรงควบคุมป้องกันและจัดการไฟฟ้าที่จ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าค่ะ ทำให้การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัยเหนือกว่าบ้านอัจฉริยะที่สามารถสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ระบบใหม่นี้ก็จะเพิ่มเรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าเข้าไปด้วยค่ะตู้รวมไฟฟ้าสมองกฎอัจฉริยะนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่เด่นขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะก็คือจะเก็บข้อมูลของ การใช้พลังงานในระบบคลาวแล้วก็นำมาสั่งเคราะห์ตรวจจับการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศตู้เย็นปลั๊กและอื่นๆช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถนำข้อมูลที่ได้มาลดการใช้พลังงานค่ะนอกจากนี้นะคะระบบก็ยังช่วยให้สามารถเห็นถึงความผิดปกติของการใช้ไฟฟ้าป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดจากการใช้ไฟฟ้าได้ การออกแบบระบบปฏิบัติการบนตู้รวมไฟฟ้าที่เป็นสมองของบ้านทําให้สามารถเพิมเ่มเติมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยไม่กระทบต่อการใช้งานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสารของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่า ย, ยินดีนะคะที่ได้มีการพัฒนานวัตกรรมตู้รวมไฟฟ้าอัจฉริยะเกิดขึ้นนะคะโดยอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะก็ต้องขอแสดงความ